ฉันเราวันนี้เป็นวันที่เรายังไม่เก็บอารมณ์เก็บรมวันพรุ่งนี้วันลื่นนี้สักสองวันก็พอสามวันวันนี้จะเป็นหลังอย่างละครึ่งเป็นการทดลองดูก่อนว่าคนที่ยังไม่เคยฝึกเก็บอารมณ์วันนั้นวงที่เราจะนั่งปฏิบัติตร่วมกันมันก็น ก, กว้างขึ้นเท่านี้การฝึกครั้งนี้เป็นการสาธิตเพื่อหารูปแบบที่ใช้เวลาน้อยแต่ได้ประโยชน์สูงอ่า เพื่อที่จะให้เรารู้จักใช้เวลาที่กระทัดรัดช่วงเช้าตนตีตีถึงตีตงตเนี่ยเราใช้การนั่งหลายๆยบแตรการยืนแต่รีบทเดินนะจะใช้ในช่วงต่อไปครั้งนี้เพื่อจะนำเสนอว่าการพัฒนาการปฏิบัตินั้นเราจะทำแบบมั่ว เล่นๆไปอย่างที่แล้วมาเนี่ยคงไม่คงไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการเสียเวลาเสียสุขภาพไม่คุ้มค่าถ้าหากว่าเป็นการลงทุนน่ะมาไปเห็นองค์กรการทำงานขององค์กรทางด้านเครือข่ายอย่าง MV วรือข่ายเน็ตเวิร์กหลายๆ อ, อย่างเดี๋ยวนี้เข้าสู่ธุรกิจแบบเน็ตเวิร์ก คือไม่ขายสเปซสป่าจ่อเฉพาะกลุ่มเฉพาะเรื่องเฉพาะเรามีระบบมีคุณธรรมขององค์กรถ้าคนไหนไม่มีระเบียบไม่มีวินัยที่ไม่ทำตามปฏิกาเขาก็จะเอาคนนั้นออกไปจากองค์กรเลือกเอาคนที่มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบมีความตั้งใจมีศรัทธามีความเพียรมันเขาก็อยู่ได้พวกที่ การทำงานไม่มีระเบียบไม่มีวินยัยไม่มีการพัฒนาก็ล้มไปการปฏิบัติภาวนาก็เช่นเดียวกันนะถ้าสมมติเราไม่มีการพัฒนาให้เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยมันก็จะเสื่อมสลายไป อ, องค์กรไหนวิธีการไหนที่มีการพัฒนามีการปรับปรุงให้ได้ประโยชน์ใช้เวลาน้อยแต่เห็นผลเห็นผลชัด องค์กรนั้นก็อยู่ไปการตอบสนองต่อสังคมที่จะแก้ปัญหาได้ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมชัดเจนเราจะวิธีการนี้นก็จะอยู่ได้อนั้นเราก็ช่วยกันเอาสติปัญญามาร่วมกันเหมือนกับเราเอาเงินทุนนมาลงทุนร่วมกันแล้วก็เช่วยพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้น แต่ในแง่ของนำมาทำคือเอาสติปัญญามารวมกันแล้วผลกําไรคือความสุขความสงบความสบายความไร้ปัญหาของแต่ละคนทั้งร่างกายและจิตใจนั่นคือผลลัพธ์เราไม่อยากจะเรียกว่ามรรคผลนิพพานแต่นั่นคือมันเป็นชื่อเป็นแบรนด์แต่ว่าตัวที่เป็นในรูปประธรรมจริงๆก็คือตัวที่เราปัญหาชีวิตของเราที่เคยมีปัญหาปัญหาเราอยลงเรามีความทุกข์ ความทุกข์เราน้อยลงเรามีสุขาภาพไม่ดีสุขภาพเราดีขึน้นนี่คือเป็นผลกองไรที่เราสัมผัส น, นะนั่นการนําเสนอทั้งวันคือพูดถึงเรื่องทุกข์และเหตุเกิดทุกข์เราใช้เวลาพอเรารู้ทุกข์และเหตุเกิดทุกข์การแก้ปัญหาก็เริ่มตรงประเด็นขึ้นว่าปัญหาจริงๆนะแต่าบางคนก็ค่อนข้างแก้ยาก แต่เรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างแก้ยากที่มาสังเกตุคือเรื่องหลับตาเพราะเราทำกันมาหลายศตรวรรษแล้วแล้วก็มันเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นมันเป็นความ <c oughs> ความสุข <c oughs> ความสุขแฝงความสุขเทียมๆนะแต่คุณก็ชอบเพราะมันง่ายมันหาง่ายพอเกิดได้ขึ้นดับตาปับ๊บเหมือนรู้ว่า ไม่มีปัญหาอะไรไม่ต้องรับรู้รับเห็นไม่ต้องรับฟังฉันอยู่ในโลกของฉันเนี่ยปลอดภัยเงี้ยหลับตาคนก็เลยชอบหลับตาเพราะมันปลอดภัยนะแล้วก็เวลาลืมตาเนี่ยรู้สึกต้องรู้ต้องเห็นต้องไม่อยากรู้ก็ต้องดูไม่อยากรู้ก็ต้องรู้ไม่อยากเห็นก็ต้องเห็นแต่คนก็รู้สึกอดไม่ได้ที่ต้องคิดต้องปรุงต้องแต่งต้องรับรู้ ก็ไม่อยากจะรับรู้อะไรอันนี้เราก็ติดในความสุขนะดังนั้นในการปฏิบัติก็ให้สังเกตหน่วยหน่วยเล็กลงไปเรื่อยๆนะนะคือการลักษณะวิจัยพฤติกรรมของตัวเองหน่วยเล็กลงไปเพราะว่าเราเรียนสติปัฏฐานสก็จะต้องมาเรียนสติสัมพุทธชงด้วย ถ้าเราจะเดินสติปัญฐาสีไม่ถูกมันก็จะไปสติสัมปชงไม่ได้แ้วตัวสติสัมปชงนี่เองที่เป็นตัวตรงไปสู่เรื่องวิปัสนาโดยตรงแต่ตัวที่เป็นสติปัญฐานเนี่ยเป็นทั้งสมถะและวิปัสนาเมื่อเรายังแก้ไขปัญหาทางรูปยังไม่จบเนี่ยก็ใช้สติปัญหาไปก่อน ต่อไปเราแก้ปัญหาทางรูปเป็นทางรูปเรื่มเบาบางเราก็ไปแก้ปัญหาทางนามมารูปนะทางรูปนามแก้ปัญหาทางรูปได้แต่ปัญหาทางด้านนามมารูปคือปัญหาของความคิดและอารมณ์เนี่ยมันก็จะต้องใช้สติสัมผัสชงได้สติสัมผยสชงที่ จะต้องใช้ก็คือการใช้ธรรมวิจยะเมื่อได้สติสัมโยงต้องมีธรรมวิจยะธรรมวิญะหมายถึงการเข้าไปเฟ้นในส่วนที่ดีๆในพฤติกรรมของเราเองนะเวลานั่งมันไม่ดีก็เฟ้นเอาเดี๋นั่งดีๆคาว่านั่งดีไม่ใช่นั่งสวยนะนั่งแล้วมันสบายนั่งแล้วรู้สึกไม่สบายเนะี่ย มันก็ไม่ดีละแล้วก็เฟ้นแล้วก็เลือกออกไปนั่งแล้วรู้สึกมันสบายแบบไหนรู้สึกอนั่งแล้วมันไม่ง่วงนั่งแล้วไม่เหงานั่งแล้วไม่เบื่อนั่งแล้วไม่เซ็งนั่งแล้วไม่หนักหน่วงทรงทับนี่อันนี้ถือว่าดีแต่นั่งแล้วมันง่วงมันเหงามันเซ็งมันเบื่อมันปวดมันเมื่อยนั่งไปก็ไม่ดีก็เฟ้นเลือกออกไปเขามาวิจยะคือเหมือนเรากินปลาเลือกออกก้างทิ้งไป เราก็กินในส่วนที่ไม่ใช่ก้างเราจะทานผุรลไม้เลือกเอาเม็ดเอาเปลือกทิ้งไปทานแต่ส่วนที่เป็นเนื้อนี่คือ ล, ลักษณะของธรรมวิจยะในอิรียบทของเราเหมือนกันนะ่ะยืนเดินนั่งนอนมันก็จะมีความสบายไม่สบายเป็นคอนเซปต์หลักเป็นเมนคอนเซปต์แต่เราไม่ได้ติดความไม่สบายแต่ละขณะเดียวกัน เราก็จะไม่แช่อยู่ในความไม่สบายเราจะเอาลักษณะ น, นี้พอทนได้พอทนได้หมายความว่าไม่สบายเกินไปและไม่ทรมานเกินไปลักษณะพอทนได้มันเป็นลักษณะปานกลางนะเราเป็นความจริงที่เราพอรับได้อ่เพราะนั้นเวลาสมัยพระพุฒการเวลาพุทธเจ้าถามพระหรือพระตอบพุทธเจ้าท่านไม่ได้ถามว่าสบายดีไหม ไม่ได้ถามแบบนี้นะวันนี้สบายดีไหมแล้วเขาบอว่าสบายดีทั้งที่มันไม่สบายนั่นแหละแต่เราก็บอกว่าสบายดีอันนี้คือเรียกว่าเป็นคำตอบที่ไม่ตรงกับความจริงถ้าภูิยา่าถ้าถามว่าไงถาถามถามว่าคาเมริยงังอบุโซพอทนได้ไหมนั่นแสดงว่าชีวิตมันทุกข์ตลอดเวลาแล้วคุณทนได้ไม่ได้ พระ ก, ก็จะบอกว่าคำเรียงพันธุ์เดพทุพทนได้ขอรับไม่ได้ถามว่าสวัสดีนะครับคำเรียงอาบุสุยมศักเคยได้ยินคำนี้ไหม ย, ยมศักนี่ไม่ยอมลืมตาเลยหลับตาลูกเดียวค่อนข้างแก้ยากนึ่งนะคามสังเกตเก้สิบเปอนหลับตายมศักเคยเคยเรียนเคยศึกษาบาลีมาเคยได้ยินสำนวนนี้ไหมคำเรียงอาบุโซพอทุนได้ไหม ต้องผ่านนะผู้ที่เรียนบาลีต้องผ่านต้องผ่านศึกษาเ ค, ค, ครับส่วนใหญ่ ย, ยไม่ได้เรียนศึกษาธรรมบุรนะรก็ทเื่อพิโคโดยตรงเลยลก็าจารย์ากเรียนธรรมบุตต้องผ่านจำนวนเหล่านี้เขามาเรียงอวุโสทนได้ไหม<น>พระก็อยากเขามาียงันเตพขอทนได้ขอรับ ภาษาอังกฤษตลอดที่ผมใช้เลยก็ม่ได้เขาใช้ว่าไงภาษาอังกฤษว่าพอทุนได้ไหมผมดูภาษาอังกฤษตำนท่าั้นเลยใช่แต่ว่าสำนวนว่าพอทุนได้ไหมเนี่ยสำนวนว่าไงเอามายังไม่เจอสำนวนภาษาอังกฤษพอทุนได้ไหมนี่หาภาษาอังกฤษคนทางยากนะเขาจะใช้สำนวนว่าไงอันนี้ฝากคิดด้วยนะดังนั้นเรื่องของการ ปฏิบัติกันมือกันเอาแค่พอทนได้อย่าสบายเกินไปแล้วก็อยาทุกเกินไปนะเรานั่งเนี่ยอันไหนที่พอทนได้ก็ทนไปอันไหนที่ทุกมนได้ปรับ <c oughs> ปรับพ อ, อกเราคอยสังเกตต่อไปเพราะว่าร่างกายนี้มันทำหน้าที่ตามกฎของไตรลักษ์ตลอดเวลาใช่มเมื่อมันทำงานไตรลักษ์ตลอดเวลากฎของไตรลักษ์ที่มันทำงาน มันจะต้องนำไปสู่ความสบายหรือไม่สบายตรยลักษณ์เนี่ยอันนี้จังนําไปสู่ความสบายหรือไม่สบา ย, ยก็เป็นทุกขังใช่ไหมอ่าเมื่อเป็นทุกขังแล้วใช้ได้หรือไม่ได้ใช้ได้ใช้ได้เหรออ่อาอ้ยลองทุกขังนี้ใช้ได้หรือไม่ได้ใช่เลยครับใช้ได้ไดอเอ <laughs> เอาคนที่ไม่รู้เรื่องเลยนะจบเอายมอัญญาดาทุกขังในี่ใช้ได้หรือไม่ได้ใช่ไม่ได้ไมไดยมทุกอยู่ใช่ไหมเออทุกมันใช้ได้ที่ไหนเราวขาไทุกใช้ได้ในคนละเรื่องทุกมันใช้ไม่ได้เขาว่าใช้ไม่ได้ในภาษาบาลีท่านใช้เขาว่าอนัตตาคือมันใช้ไม่ได้อันนี้จังมันมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงของมันเองนะมันที่กลายเป็นแปลป่วน อาพาธเรียกว่าทุกขังเราชอบไหมทุกะเราไม่ชอบนั่นแหละบางใช้ไม่ได้ <c oughs> พก็ใหญ่ลองไม่น่าจะสอบตกเลยของง่ายๆเนะี่คอยสอบแบบง่ายที่สุดแล้วนะ <c oughs> ตอบนี่เขาเรียกว่าตอบมั่วๆหรือวะอันนี้จังก็ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั่นคือเราเกิดมารับกรรมตรงนี้นะรับกรรมต้องมาเผชิญเรืยการเปลี่ยนแปลงเมื่อมันเปลี่ยนแปลง ก็ต้องทุกมาเปลี่ยนแปลงในทางที่มันดีเหมือนกับฝนมันตกลงมาจะให้มันไหลขึ้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันต้องไหลลงนะแดดมันออกเนี่ยจะให้มันเย็นเนี่ยไม่ได้มันต้องร้อนอันนี้แดดในเอเชียต่างกับแดดอเมริกาแดดอเมริกาแดดออกแล้วเย็นหนาวนะแดดออกประหลาดนีอันนี้บรรยากาศไม่เหมือนกัน ทีนี้เมื่อเรารู้ว่าร่างกายเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็ต้องเป็นทุกข์เป็นทุกข์มันใช้ไม่ได้อันนี้นะกฎของรูปนะทีนี้เราจะทำไงเปลี่ยนแปลงแล้วมันใช้ได้มันไม่ทุกข์มันใช้ได้นี่นี่คือหน้าที่ของเราเพราะกฎของมันมันมันเปลี่ยนแปลงมันเป็นทุกข์แล้วมันใช้ไม่ได้ แต่ที่เรามาปฏิบัติเรามีการเปลี่ยนแปลงก็จริงแต่เราจะไม่ให้มันทุกข์เราก็ใช้ได้นี่ที่เรามาปฏิบัติถามว่าฝืนธรรมชาตินะไม่ได้ฝืนแต่เราใช้หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าแตสรูม้มามาประกอบนะเรื่องการแต่สรู้ว่ามันเป็นอนิจจังก็จริงแต่เราไม่จำเป็นจะต้องให้มันเป็นทุกขัง แต่ขณะเดียวกันก็ไม่จําเป็นจะได้ให้มันเป็นสุขขังมีความอนิจจงเนี่ยโอ้เอาเครื่องมองือโทรศัพท์ให้หลวงพ่อหน่อยพาะว่าอันไหนที่ไม่ไม่ได้มาให้หลวงพ่อถ้าทํางานนะหลวงพ่อเก็บยึดเลยนะเอามาให้หลวงพ่อหน่อยของใครยึด ม, มีคืนได้นะเพราะผิดกติกาพเพราะเอาบาดไม้ทั้งวันแล้วมาานเมื่อวานนี้เพราะฉะนั้น <Yeah. S 1> เมื่อเป็นอย่างนี้เราจะทํำยังไงครับ อ, อนิจจง ไม่ให้มันเป็นทุกขังได้มั้สมมติเรานั่งไปมันหนักใช่ไหมผลของเป็นผลไอ้การที่มันหนักมันหน่วงนี่เป็นผลของอนิอย่างละใช่ไ้ยให้มันใช้ได้ทำไมก็เปลี่ยนเปลี่ยนให้มันใช้ได้แต่ในช่วงที่เรายังไม่เปลี่ยนเราใช้คำว่าคำว่นีอย่างคือทนได้เอาแค่ว่าทุกเอาแค่ทนได้อย่าให้มันทุกแบบทนไม่ได้แต่ถ้ามันทนไม่ได้แปลว่าทุกขังนะทุกแปลว่าทนไม่ได้นะ ทุกไม่ได้แปลว่าลาบากทุกไม่ได้แปลว่านั่นเป็นผลของมันแต่ทุกแปลว่าทนไม่ได้แต่เ้าทนไม่ได้น่ะเป็นทุกข์แล้วแต่ถ้าเราทนได้อยู่ถือว่าเป็นทุกข์ไหมยงเออพ่ออย่าลองตอบอีกทีถ้าเราทนได้ถือว่าเป็นทุกข์ไหมอะไรนะเออตอบว่าไงนะถ้าเราทนได้ถือว่าเป็นทุกข์หรือเป็นสุข <l ots> <l ots> <l ots> ถ้าเราทนได้ถือวเป็นสุขย่มถ้าเราทนได้ถือว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นะนี่คือง่ายๆนะคำว่าทนได้ไหมคำระยงโโังอวุโสทนได้ไหมไม่ได้ถามว่าสุขไหมหรือทุกข์ไหมนะถามว่าทนได้ไหมนั่นคือไม่สุขไม่ทุกข์คือทางสายกลางมัชชิมาปฏิปทาถ้ามันทุก เป็นทางสายตรงทางหนึ่งใช่ไหมถ้ามันสุขก็ไปทางสายตงุงถ้าทามันทุกเลวว่าอัตตะเกียมัฏฐานุโยกถ้ามันสุขเลยา ว, ว่ากามสุขาริการุโยกถ้ามันกึ่งสุกกึ่งทุกเลยา ว, ว่ามัชชิมาปฏิปทาที่พุทธยาคุลเพราะพระพุทธยาให้มาทำเรื่องที่มันทนได้พอดีเนี่ยให้มันชํานาญทําบ่อยๆนะทําบ่อยๆนะเรามาใช้กฎก็ว่าสมดุลบาลานซ์ balance, นะ บาลานโยปอดีบาลานเยหมายคือทำให้มันพอดีตรงนี้มัชชิมาปิเทมาแปลว่าพอทนได้ยุมสักเข้าใจใช่ไหมถ้าลืมตาวโพรงขึ้นไปนี่เป็นกามสควานโยถ้าหลับตาเลยก็เป็นสุดตรตงอัตตกมมิืมารุภูณรลูกจะลืมตาได้พอดีใช่ั้ยครึ่งหนึ่งหรือว่าลืมครึ่งหนึ่งถ้าหลับ ปสุดตรงถ้าลืมจนเต็มเต็มตานี่ยนะก็เป็นสุดตรงอีกทางหนึ่งมองไปไกลนู่นนะสุดตรงถ้ามองใกล้ๆลืมแต่มองใกล้ๆนีเป็นมัชิมาปฏิปทาอันนี้พฤติกรรมที่เป็นเป็นรูปธรรมนะพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นเรายอมแล้วว่าอานิจจังไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เลยต้องต้องยอมรับกฎอันนี้แต่ ผลของอ น, นิจจังเนี่ยเราจะยอมรับแบบไหนยอมรับแบบให้มันสุขยอมรับแบบให้มันทุกขหรือยอมรับแบบว่าพอทนได้พระพุทธเจ้าถ้าเลือกตรงนี้เอาพอทนได้ถ้าทุกขเราก็จะอยู่ไม่ได้ถ้าสุขเราก็จะเสพพอเสพที่สุดมันจะตีกลับมาเป็นทุกใช่ไหมพอทุกหรือสุดแล้วก็ตีกลับมาเป็นสุขลักษณะตีไปตีมานี้เรียกว่าการเวียนว่ายการหมุนเวียนคือวะะัฏฏะ พอมันสุขเต็มที่แล้วก็ตีมาทุกพอทุกเต็มที่แล้วก็ตีมาสุกใช่ไหมมันไม่ได้เจอตรงกลางเลยแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้ามันทุกก็ปรับให้มันมาทุกแต่พอดีถ้ามันสุขเกินไปก็ปรับให้มันสุขแต่พอดีลักษณะสุกพอดีทุกพอดีเองท่าเรียกวมัชชิมาปฏิปทาเพราะนั้นคุณนั่งได้ทั้งวันโดยที่ไม่ทุกเลยได้ไหมได้ ทำยังไงอ่าแค่นี้น้องยุ่งก๋มันยุ่งงงเลยครับผมว่าเออน้อไ่ได้ยุ่งเกอที่ว่าน่ยคนละเรื่องแล้วพยายลองไม่ได้ถามเรื่องงงแล้วไม่งงเออนั่นแหะยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นพูดว่านั่งอย่างไรนั่งนานๆแล้วไม่ทุกเนี่ยทําได้ใช่ไหมได้อ่าได้ก็คือปรับมาเรื่อยๆดินั่งอย่างนี้แล้วก็นั่งอย่างนั้นนั่งที่ปรับได้นั่งเป็นสิบๆท่าเนี่ยเพื่อให้มันไม่ให้ มันทุ ก, กันเองให้มันพอทนได้ยืนนานๆก็ยืนได้แต่ว่าไม่ยืนนิ่งเหมือนหินนะมันปรับไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวบางสองขาบางหยับซ้ายบางขว า, าเดินบางก็ปรับไปเรื่อยๆก็พอทนได้ตรงนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบคือทางสายกลางนะทางที่บรรพชิตไม่ขวนเสพคือ สุขเกินไปเรียกว่ากามะสุขานิการนิโยกแล้วเสพสุขทุกเกินไปเรียกว่าอัตติเดมาธาโยกทรมานตัวเองให้บรรพชิตหรือนักปฏิบัติพึงละทางทั้งสองนี้เสียแต่ให้ดําเนินตามทางมัชชิมาปฏิปทาและมัชชิมาปฏิปทานั้นหมายถึงว่าเอาสุกกระทุกมาผสมกันแกงเค็มเกินไปกินได้ไหมไม่ได้จืดเกินไปกินได้ไหมไม่อร่อยทำไงให้มันพอดี ตรงนี้แหละเป็นฝีมือของแม่ครัวละ่ะทําไมเราต้องมีแม่ครัวอ่าก็เพราะอย่างนี้แเพื่อมาทําความพอดีความพอดีของอาหารทําให้เรียกว่าอาร่อยอันนะั้เรียกว่าอาร่อยความพอดีของชีวิตเรียกว่าอะไรลักษณะาทางสายกลางที่พอดียพอดีจนเป็นอัตโนมัตินะเราเรียกว่าเหนือสุขเหนือทุกขเราไม่ใช้สรรอีกสัรเรียกว่าบรมสุขนิพานังประมังสุ ข, ขังก็ดีนหะม นิพพานเป็นบรมไมสุคาว่าบรมไมสุคือมันเหนือสุขเหนือทุกแต่เราไม่ใช่ศับที่เข้าใจง่ายๆคำว่าไม่ทุกไม่ทุกนี่ถือว่าเป็นสุขัหมก็ไม่ใช่ไม่ทุกนี่ถือว่าเป็นทุกไหมก็ไม่ใช่ไม่ทุกนี่หมายความว่ามันไม่ได้สุขนะแต่มันไม่ทุกเท่านั้นเองเข้าใจได้ไหมบางเรื่องที่เราไม่คุ้นนะไม่คุ้นถูมันว่า ไม่ทุกมันหมายความว่าเป็นสุขแต่มันไม่ทุกเราจึงมาเรียกว่าพอทนได้มันไม่ทุกพอทนได้นี่คือมัชชิมาปฏิปท า, าวันเนี้ยเราต้องไปทําบทเรียนนี้เมื่อวานเราบทเรียนบทเรียนวันนี้ต้องไปทําบทเรียนที่ว่าพอทนได้คุณจะนั่งนานเท่าไหร่ก็ได้ถ้าหากมันนั่งไปนานๆมันง่วงแสดงว่ามันสุขหรือมันทุกข์ มันทุกข์แล้วเพราะมันทนไม่ได้มันถึงง่วงนั่งไปนานมันฟุ้งซ่านถือว่าเป็นทุกข์หรือยังเป็นแล้วเพราะมันทนไม่ได้มันถึงฟุ้งซ่านนั่งไปนานๆมันเบื่อถือว่าเป็นสุขและเป็นทุกข์เป็นทุกข์แล้วเพราะมันทนไม่ได้มันถึงเบื่อใช่ไหมนั่งไปนานๆมันปวดถือว่าเป็นทุกข์แล้วเพราะมันทนไม่ได้มันถึงปวดเห็นไหมมันครอบคลุมทั้งหมดเลยนะคําว่าความพอดีเนี่ย ดังนั้นการที่เราจะปรับให้มันพอดีจําเป็นจะต้องมีอะไรเป็นหลักมีสัมปชัญญะที่ต้องปรับใช้ตลอดเวลาความตื่นรู้และการคอยปรับแล้วการปรับให้พอดีตลอดเวลาเนี่ยโอ้ลกตรงนี้เขามาฟังทำด้วย <c oughs> ไรปิดประตูดีนกถ้าเจอแมวแล้วเสร็จเลยนะโอกมันไม่ได้นะดังนั้น เมื่อเราในภาคปฏิบัติต้องทําให้มันเป็นรูกประธรรมอย่าไปทํามั่วคุณนั่งอยู่เนี่ยเอาจนกระทั่งว่ามันเบื่อละเบื่อนี่แสดงว่าทุกข์แล้วนะแต่ก่อนที่มันจะเบื่อเนี่ยเปลี่ยนซะถ้ามันปวดแสดงว่าเป็นทุกข์แล้วแต่ก่อนที่มันจะปวดอะรู้ทันไหมว่าเออเนี่ยปวดมากกว่านี้ฉันทนไม่ได้นะก็ปรับออก ใช่ไหมก่อนที่มันจะฟุง้งมันจะต้องมีสัญญาณก่อนความเปลี่ยนแปลงซึ่งเมื่อวานเราบอกว่าตัวเผลอนำไปสู่ตัวคิดตัวเพลินนำไปสู่ตัวง่วงแทนที่เราจะไปตับตัวง่วงหรือตัวคิดซึ่งมันเป็นผลใช่ไหมตัวเหตุมันคืออะไรตัวเหตุมันคือเพลินใช่ไม ที่นำไปสู่ตัวง่วงตัวคิดตัวเหตุของมันคือเผลอที่นำไปสู่ตัวคิดทีนี้ถ้าเราไม่มีสติสมัมมาญยะจริงๆเนี่ยเราจะตามเห็นตัวเผลอตัวง่วงทันไหมไม่ทันนี่จึงบอกว่าเราถึงมาเจริญตัวรู้เพื่อให้มันมีความฉับไวและแหลมคมพอที่จะสังเกตแต่สำหรับผู้ที่ยังไม่ชำนาญถึงจะฉับไวแหลมคมขนาดไหนก็ยังเผลอยังเพลิน อ, อยู่ดี เพราะอะไรเพราะยังไม่ชำนาญแต่ถ้าชำนาญเนี่ยสมมติว่าจะเข้าสู่ความเพลินเราสมมติความเพลินหนึ่งถึงสิบก่อนที่มันเพลินไปถึงขั้นที่สิบเนี่ยมันเพลินแค่ขั้นที่ห้าเราก็ไปไงเปลี่ยนแล้วใช่ไหมอ่ขั้นที่หกที่เจ็ดเสียงละเพราะมันวิ่งไวมากปลื้ดไปขั้นที่สิบเลยแต่ว่าปลื้ดมาที่ห้าเราเราปรับออกอย่างนี้ไปด้วการปวดขา มันไายไปถึงระดับที่สิบมันทนไม่ได้พอมันไต่ไปแค่ระดับที่หกที่เจ็ดเราก็ต้องไปไงปรับออกแล้วนี่นี่เราต้องอ่านสัญญาณมันออกถ้าสมมติว่าเราไม่ดูนา ม, มาทำให้เป็นรูปธรรมอย่างเงี้ยเราแก้ปัญหาไม่ได้มันก็จะมั่วอยู่เงี้ยตลอดเพราะไม่ได้คำนวณลักษณะนี้เรียกว่าธรรมวิจยัยวิจัย ว, วิจัยวิเคราะห์ในสิ่งที่กําลังเกิดเดี๋ยวนี้นะเขาจะรับลองผลงานอะไรสักอย่างเขาทำว่าผ่านวิจัยมาได้ยังใช่ไหมคุณบอกว่าไอ้มะเร็งไอ้ทุเรียนหมอนทองรักษาโรคมะเร็งได้เนี่ยคุณพูดโดยที่ไม่มีผลงานวิจัยรับรองคุณพูดอย่างนี้ไม่ได้นะฟิดกฎหมายนะใช่ไหมถือว่าหลอกลวงชาวบ้านใช่อหมอแต่บอกว่าอาจารย์ไก่ ม, มัตวิบูลมาเมื่อวานะ ทุเรียนหมอนทองรักษาโรคมะเร็งเต้านมได้ใช่ไหมเพราะว่าด็อร์สองพ่เมียมาจากฟิลิปนด์มาวิจัยเรื่องนี้ปรากฏว่าจริงเพราะว่ามีเพื่อนคนหนึ่งอยู่ที่อินเดียกําลังเป็นโรคมะเร็งเต้านมอยู่แล้วก็ชวนเพื่อนคนนั้นมาทําวิจัยร่วมกันปรากฏว่าเป็นผู้หญิงเนะี่ยปรากฏว่าเขาหายจากโรคมะเร็งเต้านมเพราะการกินทุเรียนหมอนทองแล้วก็มาทําวิจัยเป็นเป็นหนังสือออกมา มีผลงานรับรองนะนี่ก็เลยเชื่อถือไดอ้แล้วก็ทางฟิแนแลนด์ก็เอาทุเรียนหมอนทองไปจดลิขสิทธิ์เป็นของเรียบร้อยแล้วเหมนกันนะ <c oughs> ต่อไปคุณเยอะปลูกทุเรียนหมอนทองคุณก็เปต้องของขอนุยาตฟินแลนด์นะปูก <land> ถ้าคุณจะปลูกโดยพา ร, ราการมาได้เ <c oughs> พราะทุเรียนหมอนทองไม่ใช่ลิขสิทธิ์ของประเทศไทยใชแล้วเ <c oughs> พราะอะไรเพราะเราไม่ทันสมัยนะนี่เห็นไหมอันนี้นอกเรื่องเลยนะเ <c oughs> พื่อที่จะเห็นว่าสิ่งที่เราทําเนี่ย มันจะต้องมีการวิจัยชัดเจนก่อนเดี๋ยวเมื่อวานเราวิจัยเรื่องเพลินกับเรื่องเผลือหลายๆตัวอย่างเพราะนั้นการวิจัยจะต้องสุ่มตัวอย่างใช่ไหมตัวอย่างเออคุณทำเงี้ยผล อ, มมเออกมาเหมือนกันถ้าสมมุติว่วสิบตัวอย่างมันตรงกันทักแปตัวอย่างก็ถือว่าใช้ได้ละอีสองตัวอย่างอาจจะมีการผิดพลาดอย่างนี้เป็นต้นนี้เรียกว่าการวิจัยธรรมะธรรมวิจัยะเลือกเฟ้นเอาในส่วนที่มัน พอดีอ่าสมมติเรานั่งไปสักพักเนี่ยเราเริ่มเลือกล้วเออขณะนี้ความรู้สึกหนักมาถึงระดับนี้แล้วนะฉันจะนั่งต่อไปไหมเริ่มเฝ้าดูอย่างไกล้ชีดละลักษณะเข้าไปนังเรียกธรรมวิจัยแต่คุณนั่งเพลินไปไม่ได้ดูไอค้ความหนักความหน่วงที่มันกําลังเกิดขึ้นเนี่ยมันไต่มาถึงแล้วดําไหนคุณก็ไม่ดูไปดูอีกทีแต่มเมื่อมันเบือ่อเสแล้วตรงนี้ถือว่าเราไม่ได้ตามดูเบื่อเนี่เป็นผลรวมแล้วใช่ไหม เป็นทุกเป็นทุกแล้แต่ทุกก่อนตอนแรกนะเพราะเราเปลี่ยนใหม่ใรู้สึกสบายใช่ไหมสุขคุณนั่งไปสักพักหนะอ้ความรู้สึกอย่างเงี้ย น, นั่งท่าเ น, นี้มนันก็ไม่ได้อยู่แค่นี้สักพักมันก็เริ่มเป็นไงเริ่มขัดขาเริ่มหนักข า, เ ร, กขาเริ่มหนงวต่อพกอะไรใช่ไหมเริ่มขัดเอวแล้วคุณก็ต้องดูดูไปถึงระดับไหนสมมุติว่าให้สิระดับอ่ะ ที่คุณทนไม่ได้มาถึงระดับที่สิบแต่ถ้าคุณทนได้ระดับที่ไหนระดับที่ห้าถึงที่เจ็ดโอเคพอมันตายมาถึงระดับที่ห้าเจ็ดคุณก็ต้องเปลี่ยนแหละจะเริ่มเปลี่ยนแล้วก็ที่ที่สําคัญไปก่านั้นก่อนคุณจะเปลี่ยนท่าทีในการเปลี่ยนคุณจะเปลี่ยนไปพลุบเลยก็ไม่ได้แสดงไม่ถูกหลักของการมัชฌิมาปฏิยาคุณจะเปลี่ยนอย่างรู้เนื้อรู้ตัวว่าอย่างลดระดับที่สมมุติว่าระดับที่แปด ความปวดมันไต่มาถึงระดับที่แปดหมอเขาจะถามนะว่าเออคุณอถ้าสมมติปวดที่สุดในระดับที่สิบตอนนี้คุณปวดนี่ระดับ่เท่าไหร่คนไข้ก็ต้องบอกให้ถูกผมปวดระดับที่เจ็ดอย่างเงี้ยเออถ้าไปมันไต่ขึ้นระดับที่สิบอกฉันนะฉันจะได้อ่าเนี่ยแม้ในระดับผู้ป่วยเขาก็ใช้วิธีการอันนี้เราถือว่าเป็นผู้ป่วยทางวัฏสงสารถูกโรควัฏสงสาร คือทุกขเวทน า, ารุมเร้าตลอดเวลาเราเป็นผู้ป่วยของพรัฏสงสารเราต้องอาศัยธรรมโหสุดรักษาด้วยการสติสมัมปชัญญะที่คอยปรับเปลี่ยนเอาความไม่สบาย <c oughs> การเอาปรับเปลี่ยนความไม่สบายออกนั้นถือว่ารักษาโรคแล้วโดยที่ไม่ได้กินยาแต่อาศัยสติสัมปชัญญะที่เรารู้เท่าทันแล้วปรับเอาความไม่สบายนั้นออกไปถือว่าโรครูปโรคได้รับการรักษาแล้ว ด้วยธรรมโอสถคือสติสมัมใญยะด้วยการรู้เท่าทันแล้วก็เปลี่ยนออกไปนะดังนั้นถ้าหากเราปฏิบัติธรรมในลักษณะท่าทีนี้เนี่ยมาว่าไม่รู้ไม่มีนะคนสติสมัมยาพปกตินะเว้นแต่คนใบเบีย้ยเสียชริตคนขาดาจิต พ, พิการประสาทไม่ดีอะไรพวกนี้ก็ว่าอีกเรื่องนึงนะแต่สําหรับคนสติสมัมยาพปกติเนี่ยต้อง เข้าใจเรื่องนี้ได้ไม่ใช่เรื่องซับซ้อนเว้นแต่คนไม่มีศรานะคนไม่มีศราก็พูดไปเรื่อยๆฉันก็ฟังนะเรื่องๆไม่เรื่องไม่สำคัญฉันก็ไม่ฟังอันนี้เว้นแต่คนไม่มีศรานอกจากว่าคนปกติแต่ไม่มีศรานี่จะศึกษาไม่ไม่มีศึกษาที่จะไปติดตามเฝ้าดูเรียนรู้อะไรอันนี้ก็ยกเว้นไปเพราะคนไม่มีศราคือคนคนมีมิบากรรม คนไม่มีความเพียรคนมีวิบากกรรมเราก็ยกยอดให้เขาไปเพราะเขาต้องสูบวิบากกรรมใช่ไหมบางคนพูดให้ตายเขาก็ไม่ฟังเพราะเขามีวิบากกรรมอย่างนั้นอยู่เราก็ต้องให้อภัยเขาแต่สําหรับคนที่มีวิบากกรรมน้อยหรือคนมีวิบากกรรมปานกลางเนี่ยยังไงเนี่ยเอะมีศรัทธาที่จะฟังมีศรัทธาที่จะทําตามนี้เรียกว่าวิบากกรรมอย่าไม่มีมีวิบากกรรมละเอียดวิบากกรรมาการแก้ไขได้ ด้วยการใช้สติสัมผัสปกตินะดังนั้นเมื่อเราเข้าใจลักษณะอย่างนี้เรียกว่าธรรมวิจยะธรรมวิจยะจะปรากฏเป็นความจริงได้ต้องใช่อะไรวิิยะตามมาวิทยะสัมพุทธชงคือเพียรนะถ้าเรารู้ทั้งรู้ว่าเออปวดมันเป็นอย่างนี้ เมื่อมันเป็นอย่างนี้ทำเหตุให้เกิดความม่วงมันจะออกมาอย่างนี้ถ้าเราไม่แก้ไขไม่ทำตามก็ถือว่าไม่มีความเพียรความเพียรที่ถูกต้องถ้าเป็นวิริยะสัมโพชฌงได้ชื่ออย่างว่าสัมมาวายามะอันนี้ภาษาทางการนะภาษาตำลาเขานะสัมมาวายามะกับวิริยะสัมโพชฌงเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่ามันอยู่ทาคนละหมวด ถ้ามันอยู่ในมรรคมีองแปดท่านเรียกว่าสัมมาวายามะถ้ามันอยู่ในโพุทชงจิตท่านเรียกว่าวิริยะสัมพุทชงมันจะมีข้อจํากัดอยู่สี่ตัวหนึ่งระวังปัญหาที่จะเกิดเนี่ยระวังเฝ้าระวังอันที่หนึ่งนะนี่ความเพียนที่ถูกต้องนะ <c oughs> หนึ่งต้องเฝ้าระวังขณะที่นั่งเนี่ยเรารู้ว่าปัญหามันคืออะไร เฝ้าระวังอันน <Cool. S 2> <Yeah. S 1> ั้นคนไหนที่ชอบง่วงก็เฝ้าระวังแต่เฝ้าระวังแล้วมันเผลอง่วงอยจนได้แสดงว่าต้องใช้กดอันที่สองแล้วต้องละต้องเอาออกขนาดระวังแล้วมันยังยังง่วงอ่ะใช่ไหมต้องเอาออกทันทีถ้ามันเผลอง่วงเฝ้าระวังแล้วมันยังปวดอยู่ยังเมื่อยอยู่ยังหนักขาอยู่เราก็ต้องเอาเรื่องแล้วก็ปรับเอาความหนักขาออกไปนี่อันที่สอง บทของวิทยะสามพุทธชงอันที่สองคือเฝ้าระวังถึงที่สุดแล้วมันยังเกิดต้องเอาออกอันที่สมเพิ่มกําลังความเพียรเพิ่มกําลังความพยายามขึ้นสมมติว่าเรารู้ว่ามันปวดบ่อยก็ก็เปลี่ยนบ่อยๆลักษณะาการเปลี่ยนให้มันพอดีบ่อยๆนี้เรียกว่าเป็นการเพิ่มกําลังสติสัมปชัญญะ อันที่สี่เมื่อเพิ่มกำลังได้แล้วรักษาระดับของกำลังนั้นให้คงที่ตามภาษาปริยัตเขาเรียกว่าหนึ่งสั ง, งวนปรปทานสองปานนปทานสาภาวนาปทานสอนุรักษนาปทานอันนี้เป็นภาษาปริยัตซึ่งเราอมาพูดก็ไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเราบอกว่าเออความวง่วงเดี๋ยวมันมานะเดี๋ยวมันต้องมาแน่นอนนะคุณนั่งนานๆเนี่ยหนึ่ง คุณเฝ้าระวังและคุณอย่าหลับตาสองแม้แต่คุณหลับตามันก็ยังมาได้อยู่คุณอย่านั่งจนเพลินอย่าให้เพลินสามถ้าความเพลินใตระดับสูงขึ้นคุณต้องละความเพลินนั้นทันทีคือประหารไะใช่ไหมประหารคือตัดออกละหรือประหารเรียกว่าตัดออกแต่ละแล้วประหารแล้ว ก็ยังมาไบ่อยๆคุณต้องเพิ่มกําลังสติสมยะคือปรับความรู้เนื้อรู้ตัวให้ชัดเจนเรียกว่าภาวนาสีเมื่อเพิ่มกําลังสติสมยะได้แล้วรักษาระดับกําลังนั้นให้คงที่เรียกว่าอนุรักษณะนี่เรียกว่าความเพียรหรือความการการะทําที่ถูกต้องต้องมีองค์ตัวนี้แต่ถ้าเรามีธรรมวิจยะแต่ถ้าไม่มีวิริยะไม่มีความเพียร น, นะ ธรรมวิญญยะก็ไม่เป็นผลคุณขยันเดี๋ยวเดียวขยันเปลี่ยนขยันปรับเดี๋ยวเดียวสักพักคุณเขาขี้เกียจแล้วนั่นแสดงว่าไม่มีวิริยะสำพุชงตอนหม่ใหม่สึ่กติีรู้ในการแก้ไขนะนานๆมามันเบื่อหมดกำลังไม่ทําละปล่อยให้มันง่วงปล่อยให้มันเบื่อปล่อยให้มันเสงตามเรื่องตามราวไปนี่เรียกว่าวิริยะสำพุชงไม่พอไม่มีกำลังแต่ถ้าหากวิริยะสำพุชง มีกำลังหมายความคุณปรับเปลี่ยนได้เรื่อยๆแก้ไขปรับเปลี่ยนแก้ไข ป, ปรับเปลี่ยนไม่ว่างงมาเหงามาเบื่อมาเซ็งมาปวดมาเมื่อยมาแก้ไขได้หมดเพราะอะไรเพราะเราใช้วิริยะสัมผัสชง <c oughs> เพราะนั้นในในตัววิริยะเองเราใช้อีกคำหนึ่งว่าเอ e r g y ีคือใช้พลังนะใช้พลังให้ตัวนี้มันมีกำลังนะเอาละทีนี้ เมื่อเราคอยปรับคอยแก้คอยปรับคอยแก้อย่างนี้สมมุติว่าตัววิทยะของเราสมบูรณ์และสิ่งที่ตามมาคืออะไรปีติสัมพชมคือรู้สึกเบาสบายในลายที่มีมีความละเอียดสูงมากคุณนั้นก็จะเกิดปีติเกิดความโปร่งโล่งเบาสบายตามมานี่เป็นองค์ธรรมที่ท่านท่านพิสูจน์มาแล้วนะไม่รู้กี่พันปีมันจะลงตัวแบบนี้หมด เหมือนเราก็วิจัยเรื่องเผลอเรื่องผืนเมื่อวานเนี่ยกว่าจะท่านจะบรรยัติเป็นสูตรได้เนี่ยจะได้รับการพิสูจน์ได้แล้วการทดลองเป็นเวิร์กช็อปมาหลายพันปีละด้วยอาศัยผสมการตั้งแต่เราแต่ละคนนี่แหละเมื่อมันรู้สึกเบาสบายอะไรตามมาความสงบเย็นของกายของใจอ่าเรียกว่าปัสถินใช่ไหม เมื่อจิตกายกายก็สงบใจก็สงบสิ่งที่ตามมาคืออะไรความตั้งมั่นของอารมณ์ความตั้งมั่นของการปฏิบัติเรียกว่าสมาธิใช่ไหมนะมันจะไต่ไปตามองคธรรมนี้เลยถ้าเราทำถูกหลักเมื่อสมาธิปรากฏแล้วในโพชฌงค์เจดเนี่ยไม่มีควาว่าปัญญาความจริงมันไปออกเป็ น, เ ป, นเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญใช่ไหม ตัวที่อุเปกขาที่เกิดสมาธินั้นค็เป็นองค์ของปัญญาแต่ไม่ใช่ปัญญาธรรมดาเป็นโลกุตละปัญญาท่านจึงเรียกว่าอุเปกขาสัมโพชฌงค์นะถ้าจะพูดว่าโลกุตละปัญญามันมันผิดองค์ธรรมไปมันไม่ครบนะนะแต่คุณอุเปกขาหมายความว่าไปเกิดการปล่อยวางและวางอารมณ์ทุกอย่างที่มันเกิดได้ โดยที่ไม่หยิบขึ้นมาและไม่ทิ้งไปแต่เฝ้าดูอยู่เพราะนังใช้คําว่าเฝ้าดูอุเปขาตัวนี้แปลว่าเฝ้าดูตามรู้มันมาจากคาว่าอุปะกับอิขาภาษาบาลีอิขะแ้วยว่ารู้แปลว่าเห็นแปลว่ารู้แปลว่าเห็นอุปะแปลว่าเข้าไปดูเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเอามาบวกเป็นภาษาสันสกิตว่าอุเปขา แปลมาภาษาบาลีเขาอุปากับอิกขบวกกันไม่ใช่เฉยๆนะถ้าเป็นภาษาวิทยาศาสตร์ท่านใช้คาว่าสแตนบายหมายความว่าไงคือเตรียมพร้อมอะ่ะเหมือนโยมเลี้ยงลูกนะเลี้ยงลูกอ่อนเนาะสามเดือนห้าเดือนวิ่งไปคันไปคันมาหรือขวสองขวบกลงังซน่ะถ้ามันอยู่ใน บริเวณที่เราจำกัดนะมันเล่นอยู่ในตรงนั้นนะเราก็มองดูเฉยๆใช่ไหมแต่ถ้ามันทาท่าจะออกประตูไปหรือไปที่ตกจะตกจะหล่นเนี่ยเป็นไงเราก็วิ่งออกไปทันทีไปจับลืงมามาไว้ที่เดิมแล้วก็ปล่อยไว้นะเราก็ทำงานไปแต่ส่วนหนึ่งเป็นไงคอยสังเกตเรื่อยๆใช่ไหมว่ามันเล่นอยู่ที่เดิมหรือเปล่าถ้าเล่นอยู่ที่เดิมเราก็ทางานเขางลกไป แต่ทำท่าจะออกประูไปอีกแล้วเป็นไงถ้าเด็กมุนโซนนั่นนะก็วิ่งตามไปดึงกระมาใหม่หรือถ้าโยมเคยเป็นเด็กเลี้ยงควายถ้าเราปล่อยควายเอาน่องทุ่งปั๊บถ้ามันกินหญ้าอยู่ในแอรเรียหรือในบริเวณที่จํากัดที่เราต้องการเนี่ยเราก็อ่านอนร้องเพลงไปเรื่อยๆนะเล่นอะไรต่ออะไรไปก็ไม่ห่วงเพราะมันอยู่ที่เดิม แต่เมื่อใดวัวหรือควายนั้นเริ่มออกพื้นที่ที่เราต้องจํากัดเอาไว้เนี่ยเป็นไงต้องรีบกลับไปต้อนกลับมาที่เดิมเนี่ยลักษณะของอุเเขขาคือเฝ้าดูแต่เมื่อมันมีเหตุที่ไม่อยู่ในที่เราต้องการต้องปรับเข้ามาแต่เมื่อปรับเข้ามาสู่ที่ต้องการแล้วเราก็เฝ้าดูไปเรื่อยๆลักษณะนี้เรียกว่าอุเปเเขขาเราจะแปลว่าปล่อยวางอะไรได้ไหม คือปล่อยวางในขณะที่มันปกติให้ปล่อยวางแต่เมื่อไรมันผิดปกติตามที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยก็แก้ไขเพราะนั้นลักษณะอุปคาและเป็นลักษณะของปัญญาร่วมยังไงปัญญาร่วมกันมันมีสองอาการในเวลาเดียวกันอาการที่หนึ่งเราเฉยเฉยนิมนต์ปกติใช่ั้ยอาการที่สองเราจัดการเมื่อมันผิดปกติที่เราไม่ได้ไม่ได้อยู่ในที่เราต้องการ การที่เราเห็นว่าผิดปกติไปจากการเป็นลักษณะของปัญญาการที่มันปกติแล้วไม่จัดการอะไรเลยเป็นลักษณะของการปล่อยวางทั้งสองตัวทั้งการเฝ้าดูโดยที่ไม่เกิดปัญหาและการจัดการเมื่อเกิดมาเราบวกกันเรียกว่าอุปเอยขาเป็นชื่อทั้งอุเอยขาและปัญญาในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นในลักษณะเนี้เราก็ปฏิบัติไป โดยเฝ้าดูการตามรู้แก้ไขตามรู้แก้ไขมันก็จะเป็นองค์ของสัมโพุทธชงโดยที่ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาหรือมานั่งจําอย่างที่หลวงพ่อพูดนี่ก็ได้ไม่ต้องไปรู้มันก็ได้องค์ของสัมพุทมชงเริ่มต้นอะไรลงอย่างไม่ต้องไปรู้ก็ได้แต่เอาเนื้อหาสาระที่เราทําได้คือตามรู้แก้ไขตามรู้แก้ไขตามรู้แก้ไขเท่านั้นเองแล้วสภาวะมันก็เกิดเองแต่ลักษณะที่ที่หลวงพ่อนํามาเลี้ยงเพื่อจะยืงใันนักเห็นว่าสิ่งที่นํามาเสนอสิ่งที่นำมาพูดไม่ได้พูดเอาเองนะ ท่านพระศาสดาท่านตรัสเอาไว้อย่างนี้แต่เรานำเอาสาระที่เราทำแล้วเนี่ยสั้นๆแล้วก็ตรงประเด็นแค่นั้นเองนิดเดียวแต่เพื่อเป็นการหลักการศึกษาท่านกิลมาขยายให้มันเห็นว่ามันมาอย่างไรมันไปอย่างไรเหมือนยาเม็ดหนึ่งเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือเชื่อใจหมอหมอให้มาก็กินแค่นั้นเอง ไม่ต้องมานั่งอ่านส่วนผสมว่ า, ายาเม็ดนี้ผสมด้วยสูตรอะไรเคมีตัวไหนบ้างไม่ต้องมานั่งเสียเวลาจำมันะแต่ถ้าคุณเภสัชเนี่ยคุณต้องรู้ถ้าคุณเป็นเภสัชเนี่ยคุณต้องรู้ว่ า, ายาเม็ดเนี่ยมันประกอบด้วยแต่ยาอะไรบ้างเชื่ออะไรบ้างแต่เราไม่ใช่เภสัชเราเป็นคนป่วยมีหน้าที่เอายาใสาป่าปากกินน้ำแค่นั้นเองอันนี้ก็เหมือนกันเราเป็นนักปฏิบัติมีหน้าที่แก้ไข บ, บําบ้าเพื่อให้จิตของเราคุ้นกับภาวะวาไม่ทุกข์เท่านั้นเอง ถ้าคุณอยู่ที่ไหนแล้วไม่ทุกข์ก็โอเคนะั้นปฏิบัติธรรมะของพุทธิยาสําเร็จละแต่ไอ้ความไม่ทุกข์เนี่ยมันอยู่ในสภาวะที่ถาวรไหมตลอดไปไหมแต่ร่างกายนี้เราจะไม่ให้มันทุกข์เดี๋ยวเป็นไปได้ไหมไม่ได้เพราะมันเป็นตามกฎของไตรลักษณ์การที่เราจะต้องเกิดมาเจอกฎเลยแล้วพ่อวิบักิกรรมของเราที่เราจะต้องอพ่อแม่ปูย่ย่าตา ย, ยายของเราทําให้เราเกิดมา ด้วยวิบากกรรมด้วยราคาโทรศัมืห้ของท่านเราถึงได้เกิดมาถ้าหากว่าพ่อแม่ของเราไม่มีราคาโทรศัมห้เราก็ไม่ได้เกิดแต่เราได้เกิดมาเพราะราคาโทรศัมืห้ของท่านเมื่อเราเกิดมาแล้วเราไม่เจอธรรมะคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและไม่มีศรัทธาที่จะปฏิบัติเจอแล้วแต่ไม่มีศรัทธาไม่มีความเพียรที่จะปฏิบัติเราก็ต้องได้รับวิบากกรรมอนนี้อีกคือทุกข์ทั้งกายทั้งใจ แต่พอเราเกิดมาแล้วได้พบคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเรามีศรัทธาและความเพียรที่จะปฏิบัติตามเราก็ทุกด้านเดียวคือด้านกายใจเราไม่ทุกนี่ถือว่าได้รับผลสําเร็จตามคําสอนของพระศา ส, สดาแล้วเพราะทุกกายเป็นวิบากกรรมที่เราได้รับมาใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเราไม่เจริญไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพุทธเจ้าทุกกายก็ทําให้เราทุกใจด้วยนะฮะ แต่ถ้าเราได้รับคําสอนพระเจ้ามีศรัทธาและความเพียรปฏิบัติตรรมอย่างถูกต้องเราทุกข์แต่กายแต่ใจแล้วไม่ทุกข์แต่กายที่เป็นทุกข์เพราะเราไม่มีอวิชชาด้านอวบฐานถึงทุกข์ก็น้อยเป็นทุกข์ก็บำบัดได้นะแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติตามคําสอนทุกกายนิดเดียวก็กลายเป็นทุกข์หนักทุกใจนิดเดียวก็กลายเป็นทุกข์มากเพราะอะไรเพราะมันมีตัวอุปทานเข้าไปเสริมซึ่งได้กล่าวแล้วว่าแผลเป็น แผลถูกน้ําเจาะธรรมดานี่ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ามันไปติดเชื้อนะเป็นเป็นบัทยักนั้นะเป็นเรื่องเลยอะ่ะนั่นคือดูอุบัติฐานอุบทานเหมืนเชื้อบัทยักษอุบทานเหมือนยาพิษวิญญาณเหมือนพิษสัตว์ที่มันกัดแล้วมันพุนเข้าไปนะดังนั้นเองเราทั้งหลายจึงต้องมาศึกษาเรียนรู้และโชคดีที่เราได้ใช้หลักการของพอเทียนเพราะอะไรเพราะเป็นหลักที่เหมาะกับอินทรีย์ของเรา เหมาะกับร่างกายสังขารของเราแต่ถ้าเราไปใช้กรรมฐานที่ละเอียดคนนี้อย่างที่เราเคยทํามาบางคนไปทําพุโทโธมาตั้งนานทําเท่าไหร่มันก็ไม่รู้เรื่องหรือไม่ข้ามนิวนรณ์ไม่ได้พุทโธเราก็เคยทํามาทําเท่าไหร่ยังข้ามนิวรณ์ก็ไม่ได้เพราะมันหนึ่งเราไม่มีกายยมิตรที่จะให้ความแจ่มแจ้งชัดเจนแก่เรา สองเราไม่ได้ใกล้ชิดครูบาอาจารย์สามเพื่อนมิตรของเราที่ปฏิบัติมาแล้วได้ผลชัดๆที่จะมาแก้ไขเราได้ก็ไม่มีเนี่ยองค์ประกอบแล้วเนี่ยทำให้เราไปไม่ได้แต่พอมาเจอวิธีการอนุเวทเทียนก็คือมันเหมาะกับอิซีของเราเรานั่งนา้นไมไ่้เราเดินก็ได้เดินนานไม่ได้เราก็ยืนก็ได้ยืนนานไม่ได้เราเดินก็ได้สลับไปสลับมาไม่ผิดแต่พอเราไปเจอวิธีกรรมฐานที่ละเอียดกว่านั้นนะ คุณต้องนั่งได้เท่านี้นะสามชั่วโมงอ่าไม่ขยับเลยนะอ่าคุณต้องยืนได้เท่านี้นะหนึ่งชั่วโมงต้องยืนให้ได้แต่อีซขอ ง, ของเรามรรทนได้แค่หนาทีแอะใช่ไหมจะยืนหนึ่งชั่วโมงได้ไงเราไปไม่ได้แล้วเพราะความจำกัดในวิธีการและเพราะอีซีของเรายัางอ่อนเราจึงใช้วิธีกรรมฐานเหล่านั้นไม่ได้อนาปนสติเป็นกรรมฐานชั้นยอด แต่อินทรีย์เราสู้ไม่ได้กำลังเราสู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราไม่ว่ากรรมฐานหมดไหนดีแต่มันจะดีตรงที่ว่า เ, าเอามาใช้ได้หรือไม่ได้เท่านั้นพอแต่ความจริงมันไม่มีอันไหนดีกว่าอันไหนหรอกแต่ว่าเราใช้ได้ประโยชน์หรือไม่ไปรเราใช้ถูกหรือไม่ถูก ม, มันเหมาะกับอินทรีย์เหมาะกับสติปัญญาเหมาะกับกําลังของเราไหมอันนั้นถือว่าดีนะเพราะฉะนั้นในวิธีการวัเทียน เช่นเดียวกันอามามันใช้ได้ผลเพราะว่ามันเหมาะกับอินทรีย์และสติปัญญาของของอาตมาแต่เมื่อก่อนอาตมาไปทำอนาปสนิอนาปนสติจากสนหมกไปทําำยุบหนองของหน่อยจากวัดมหาธาตุไม่ทําพุทโธในสมัยครูบาอาจารย์ท่านสอนถามว่าดีไหมดีทําให้สงบแต่ว่าราคาโทสะมหะลดลงได้ไืมไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนแต่มันไม่ลดรู้ว่ามันไม่ลด นะแต่พอมาทาวิธีการหลวพเทียนถามว่ามันลดไหมลดแต่ว่ามันลดเรื่อยๆไม่ใช่ลดบุบวาบนะทำมาเรื่อยๆแต่ที่เราทำได้ไม่ทิ้งเพราะอะไรมันเหมาะกับกำลังของเราคือทำได้เรื่อยๆไม่เบื่อแล้วทำแล้วได้เห็นทำแล้วสัมผัสทำแล้วเข้าใจแล้วเกิดประสบการณ์ใดๆที่เราได้รับผลแล้วเอาไปแนะนําคนอื่นเขาก็ทำได้ด้วย เพราะอะไรเพราะสิ่งที่เราเข้าใจเราสามารถนํามาเรียบเรียงเป็นเหตุเป็นผลเป็นขั้นเป็นตอนได้ชัดเจนเมื่อเรานําไปแบ่งปันนําไปบอกให้คนอื่นเราก็สามารถเรียบเรียงให้คนอื่นได้เห็นขบวนการชัดเจนว่าเออเป็นอย่างนี้นะมันไม่มีอะไรซับซ้อนไม่มีอะไรคำว่ามั่วแต่มันเห็นเหตุเหตุหหผลที่ชัดเจนอันนี้คือวิธีการพูดเห็นมันเหมาะกับสติปัญญาของเรานะ ดัานนั้นเองเวลาไปปฏิบัติเรื่องเข้าใจเนี่ยมาคิดว่าทุกคนไม่มีปัญหาแต่มีปัญหาว่าศรัท ธ, ธาและความเพียรพอไหมความเชื่อมั่นพอไหมความรักใจรักที่จะทมเนี่ยพอไหมสองความเพียรถูกต้องไหมถ้าความเพียรได้ถูกต้องเป็นองค์ของสติสมัมปชัญญาโดยอตัตโนมัติเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาเกิดอะไรขึ้นต้องไปตรวจสอบความเพียรว่าเพียรถูกต้องไหม เพียนที่ถูกต้องดังได้กล่าวว่าเมื่กี้มันประกอบด้วยองค์สี่คือหนึ่งเฝ้าระวังอะไรที่จะเป็นอุปสรรคปัญหาต่อการปฏิบัติเฝ้าระวังสองเวลามันเกิดแม้เฝ้าระวังแล้วมันยังเกิดใช่ไหมอย่างความเผลอเนี่ยเราเฝ้าระวังอยู่มันก็เกิดอยู่ได้รู้ว่ามันเกิดตัดออกไปนะหรือความเผลอรู้ว่ามันเฝ้าระวังแล้วมันก็เผลอจนได้ใช่ไหมแต่ตัดออกไปตัดออกไปได้วยกันทำไมคือรู้ทัน แล้วก็เริ่มต้นใหม่รู้ทันแล้วก็เซตอัพใหม่รู้ทันแล้วก็เซตอัพใหม่ลหมเลื่อยไปนี่เรียกว่าตัวแก้ไขคือการละอันที่สามเราเราจับความรู้สึกแบบให้รู้ตัวเรื่อยๆแบบสบายๆไม่ไ ม, ไม่ไม่ขึงขังจริงจังเกินไปไม่ตั้งใจมากเกินไปในขณะเดียวก็ไม่เพลนะินไม่เหลิงเกินไปปรับให้พอดีเสมอเท่าที่เรารู้สึกสบาย เทนะ่าที่รู้สึกพอทนได้นะแล้วก็รักษาระดับความพอทนได้นี้ไปเรื่อยๆคุณจะพลิกจะเปลี่ยนจะเคลื่อนจะไว้ยังไงก็ไม่มีปัญหาแต่ขอให้มันอยู่ในภาวะนี้พอทนได้มันจะสงบไม่สงบไม่ไปเป็นเรื่องของมันแต่คาว่าสงบคือไม่มีปัญหาร่างกายสงบไม่ได้หมายถึงนั่งนิ่งๆแต่ร่างกายสงบหมายว่าไม่มีเวทนารบกวนเข้าใจตรงกันนะ ว่าร่างกายสงบหมายถึงไม่มีทุกขเวทนาลบกวนมากเกินไปหรือมันสงบแต่ร่างกายสงบไม่ไหมายคุณนั่งโดยไม่ติ้งไม่นิ่งไม่เคลื่อนไม่ใช่อย่างนั้นจิตสงบไม่ได้หมายถึงว่านิ่งดิ่งดับเข้าฌานในแง่ของไปจิตสงบคือจิตที่ไม่ปรุงแต่งไม่วิตุกกังวลไม่ฟุ้งซ่านไม่หงุดหงิดสงบละ เรียวสงบจากราคะสงบจากโลหะ <c oughs> โทสะและสะกบจากโมหะไม่ได้สงบแบบนิ่งดิ่งดับลึกๆเข้าฌานเข้าอะไรสมาบัติไปไม่ใช่อย่างนั้นในแง่วิปัสสนาเอาแค่มันไม่วงแตง่งไม่ฟุ้งซ่านไม่หงุดหงิดไม่รำคาญสงบจากสิ่งเหล่านี้แต่ร่างกายรสงบนิ่งเนีย้ยเข้าฌานนะ แต่ร่างกายของเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะหลับสุกทุกไม่รับรู้เลยนี่เรียกว่าขาดสติสัมยาละนะดังนั้นในช่วงเชา้านี่นำเสนอแค่นี้เป็นเรื่องของนิโรธกับมรคคือวันก่อนเราพูดถึงทุกข์กับสมุทยัยแต่นิโรธกับมรคที่นำเสนอตอนเช้าเป็นนิโรธกับมรคภาคปฏิบัติคือลงมือทำได้เลยนะ โดยการปัญหาแล้วก็ดับปัญหาและวิธีดับปัญหาง่วงวิธีแก้ง่วงปวดวิธีแก้ปวดอย่างเนี้ยแล้วก็เขาแก้ได้มันก็หายไปเดี๋ยวปัญหาก็ตั้งต้นใหม่ก็วนอยู่อย่างนี้แหละเพราะมันเป็นอนิจจังมันง่วงวันร้อยครั้งพันหนุนก็ช่างมันแต่ว่าให้รู้จักวิธีแก้ทุกครั้งที่มันง่วง มันจะปวดเมื่อยวันละหมื่นครั้งแสนหนก็ชั่งมันแต่มันทุกครั้งได้รับการบำบัดแก้ไขเราจะไปห้ามมันให้มันปวดมันเมื่อยมันเซ็งมันเบื่อไปห้ามมันไม่ได้มันมีหน้าที่เกิดแต่เรามีหน้าที่แก้มีหน้าที่ดับเลื่อยไปการที่เราเข้าไปดับไปแก้บ่อยๆมันจะเกิดเป็นตัวกุศลตัวปัญญาขึ้นมาและตัวปัญญากุศลนี้จะกลายเป็นนิสัยใหม่ แทนนิสัยของความหลงลืมและเคยชินแต่จะเป็นนิสัยของความตื่นรู้เป็นนิสัยของความสงบเย็นนี่แล้วเปลี่ยนนิสัยใหม่ลักษณะอย่างนี้นะดังนั้นเบื้องต้นน่ะจะยุ่งยากลําบากสับสนขนาดไหนขอให้มีศรัทธาและความเพียรที่ถูกต้องเอาไว้ก็ถือว่าใช้ได้ละถ้ามีศรัทธาและความเพียรที่ถูกต้องสติสมาธิปัญญามันมาเองโดยที่ไม่ต้องไปรู้รายละเอียดมันมันมาเองนะ มันจะบคนป่วยขอให้คุณกินข้าวได้ก็แล้วกันใช่ไหมอาการป่วยมันก็ดีว่าดีขึ้นนะใช่ไหมเออถ้าคนป่วยคุณไม่ยอมกินข้าวเลยเนะี่ยไม่ยอมกินยานเนี่ยอ๋อมันอาการไม่ดีขึ้นหรอกเหมือนกันถ้าเราจะปัญหาทางกายทางใจจะเป็นไงค่อยมีศรัทธาและความเพียรทําเรื่อยๆแก้ไขปัญหาไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วมันเห็นผลเองนะอันนี้คือนําเสนอตอนเช้าจบแค่นี้